<Hey. S 2> เดินกลับมานั่งมันเดินจงกมหรือเปล่าเดินก็ไม่ได้ว่านะดูดูตัวเองนะ <laughs> <laughs> เวลามันเปลี่ยนดีดปบดนะเปลี่ยนดีดีบทจะลุกจะนั่งจะเดินจะเข้าห้องน้ำนะจะกลับกุติไรเงนะี้เนาะบางทีมันมีความผ่อนคลาย มีความผ่อนคลายกว่าการที่เราปฏิบัติในรูปแบบแต่บางทีผ่อนคลายมากไปก็ก็ลืมตัวได้ง่ายเหมือนกันนะออามันก็เหมือนคล้ายๆเอมันก็ไม่ต้องใช้ความตั้งใจอะไรเนาะจะจะเดินกับกุฏินะมันก็อาจจะทําให้เราก็ปล่อยจิตปล่อยใจไปกับอารมณ์ไปกับความคิดได้ง่ายนะ คือความผ่อนคลายกับความรู้ตัวนะมันต้องมันอยู่คู่กันนะผ่อนคลายเฉยๆนะแบบไม่ทำอะไรไม่รู้อะไรเลยเนี่ยก็ไม่ใช่นะืึไม่งั้นก็จะเหมือนเด็กอะก็วิ่งเล่นผ่อนคลายสนุกสนานสบายไปนยะแต่ก็ไม่ได้ใส่ใจที่จะรู้ตัวนะมันก็อาจจะเพลินนะเพลินไปกับอารมณ์นะเฉยๆนะนะผ่อนคลายก็ต้อง คลายด้วยความรู้ตัวนะแต่ถ้ารู้ตัวแบบเคร่งเครียดนะมันก็มันก็จะเหนื่อยก็จะอึดอัดนะอืมอืมอันนี้คือเราต้องหาความพอดีนะต้องรู้จักความพอดีนะที่จริงมันก็มันเหมือนรู้จักนะรู้จักเหมือนกับเหมือนกับแม่ครัวนะหรือพ่อครัวเหมือนเราทําอาหารอนะเราต้องชิมชิมอืม อันนี้มันเปรี้ยวไปอันนี้มันเค็มไปอันนี้มันหวานไปนะนนี้มันเผ็ดไปนะนี้มันจืดไปเรารู้ว่ามันไม่พอดีนั่นแหละเราจะปรับให้มันพอดีเนาะที่เราชิมรสชาติอาหารเรารู้สึกว่ามันไม่พอดีมันหนักไปทางใดทางหนึ่งเราก็ปรับให้มันพอดีนะอันนี้คือเรามันตึงไปนะเออรู้ว่าตึงมันก็จะปรับมาผ่อนขึ้น รู้ว่าหย่อนนะมันก็จะปรับมาให้มันตึงขึ้นนีน่คือค่อยๆปรับไปนะปรับมันปรับได้จากความที่รู้ว่ามันหลงนะปรับได้จากความที่รู้ว่ามันผิดนั่นแหละมันจะช่วยให้ปรับมาพอดีนะแต่พอดีก็แป๊บเดียวนะจะคิดว่าพอดีมันจะพอดีตลอดเหมาเราทําอาหารนะพอดีแล้วก็ยกไปเสิร์ฟได้เลยเนะรถนี้นะ แต่ความพอดีมันคือมันทีละขนาดเดินตอนเนี้ยรู้ตัวพอดีนะแต่เข้าต่อไปอาจจะไม่พอดีก็ได้นะเพราะมันอยากจะประคองให้มันพอดีแบบเนี้ยมันก็เผลอเข้าไปประคองเผลอเข้าไปอยากแนละ้วมันเร็วมากนะจิตเพคนเราเนี่ยมันอผิดก็เปลี่ยนเป็นถูกได้เร็วนะถูกก็กลายเป็นผิดได้เร็วเหือกัน อ่มันก็ไม่มีอะไรรถเร็วมากกว่าจิตของมนุษย์จิตสัตร์ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่จิตมนุษย์รถเร็วมากนะรดเร็วมากนะไม่มีอะไรที่จะรู้เท่าทันจิตได้เร็วเท่ากับสติเราไม่สามารถจะทำให้จิตมันชาได้นะใครที่คิดว่าต้องเดินช้าชาต้องทำอะไรช้าๆ้านะ จิตมันจะได้ช้าลงไม่ใช่นะอืมจิตไม่เคยช้าเพราะว่าการทําช้านมันมีแต่ทาให้เราเบื่อหรือทำให้เราเชื่องไปเฉยๆนะจิตไม่ได้ช้าจิตตอนะมันกําลังหลอกให้เราทําช้าจิตไอ้ตัวเร็วๆ เ, เนี่ยหลอกให้เราทําช้าเพราะคิดว่าถ้าทํำช้าๆมันจะได้รู้ชัดๆนะแต่จริง ตัวจิตจริงๆคือมันหอกให้เราคิดอย่างนั้นเชื่ออย่างนั้นอยู่นะอันนี้เนี่ยเราไมร่รู้ไม่เท่าทันนะการฝึกจิตจริงๆนะไม่ใช่ไปทำให้เขาช้านะแต่ทำให้สติมันเร็วขึ้นนะฝึกสติให้เร็วขึ้นนะคล้ายๆเหมือนกับเราจะแข่งกีฬานะเราจะให้เขาทาให้เขาต่อให้ให้เขายอมให้อ่อนให้นะ เราก็ไม่เก่งจริงนะชนะแบบวอ่น อ, อนๆนะแต่ไม่เจอของจริงนะอืมของจริงคือต้องฝึกส ต, ติให้เร็วขึ้นให้ชํานาญขึ้นนะแต่บางทีมันก็ทันบ้างไม่ทันบ้างนะอย่าไปกังวลเสียดีดมากฝึกรู้เท่าที่รู้ได้แต่พยายามฝึกรู้ให้ บ, บนะ่อยๆเนาะเหมือนนั่นเดี๋ยวเรากลับไปนอนเนาะกลับไปพักนะใครจะไม่ง่วงนอนก็ ก็ปฏิบัตินะเบาๆนะก็ได้นะเพราะว่าแต่ที่นี่มันอาจจะไม่เหมือนบางที่ที่ให้นักปฏิบัติทำได้พักคนเดียวเนะใจอาตมาก็อยากแบบนั้นนะอยากให้ ม, มีห้องคนเดียวอยู่ต่างหากแยกแๆกันแต่สถานที่มันก็ไม่เพียงพอเนาะที่จะให้ทําแบบนั้นก็พักสองคนบ้างสามคนบ้างก็อาจจะอืมอาจจะ รบกวนกันบ้างนะอืมแต่เราก็ให้ถือว่าเราก็พยายามระวังเนาะระวังอย่าให้เสียงของเรารบกวนเพื่อนนะในเวลาจะนอนหรือในเวลาจะลุกเข้าห้องน้าหรือในเวลาจะตื่นก็พยายามเบาเอ่าเบาเบาไปนะเปิดปิดประตูเปิดไฟก็ให้ให้ระวังแต่ก็แนะนำว่าอย่างกดนะไม่ควร ไม่ควรเปิดไฟทิ้งไวนะ้เนาะเพราะว่าหนึ่งแบตจะหมดสองแมลงมันก็จะเข้านะเราต้องจะเราควรเตรียมไฟฉายไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็วเวลาจะจะเข้าห้องน้ำอะไรตอนคืนก็เปิดไฟฉายแล้วก็ค่อยๆเข้าไปไมันจะดีกว่าหรือว่าส่องไฟตรงที่ที่สวิทช์ห้องน้ำแล้วก็เปิดเข้าไปเนี่ยนะนะคือถ้าเปิดเปิดไฟทิ้งไว้กลางคืน ตอนเช้าอาจจะไม่มีไฟใช้ก็ได้นะี่ยก็ก็ไม่ควรเปิดไว้นะ่ะก็แต่ก็ควรมีไฟฉายไว้ใกล้ๆตัวนะ่ะเผื่อไฟดับบ้างเผื่อเข้าห้องน้ําบ้างนะ่ะอยู่ใกล้ๆตัวแล้วก็ตอนเช้าเราทําวัดตีสี่ครึ่งเนาะก็ตื่นอ่ะตื่นทักใกล้ๆตีสี่นนะ่ะต้องปลุกไหมหรือว่ามีในการปลรุกกันเองไหม หรือตั้งให้เคาะมีมีเกาะไม้อยู่ในมืลอยู่ในคูบานอกออยู่สาดาณนะานะเอานี้จะใครเคาะไหมหรือก็เขาปุกปุกกันอก็ได้เนาะนอนหลายหายคนใครตื่นก่อนก็ตีสี่ก็ใครยังไม่รู้ก็ปุกเลยเออหนักก็ให้ ด้ว ย, ยกันเราก็จะทำวัดตีสี่ครึ่งเนาะก็น่าพยายามรู้สึกตัวไปจะทั้งมันดับเนาะะแจนทั้งมันดับนะนะเี่ยตื่นขึ้นมาก็ดูร่างกายมันนอนนะดูใจมันรู้สึกอย่างไรเนาะบางคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยความสดชื่นนะบางคนก็ตื่นด้วยความขี้เกียจจะลุกเนี่ยก็คือก็ดูกายของเราด้วยโดยใจด้วยนะมัน มันรู้สึกอย่างไรมันอยู่ในท่าไหนก็ดมมูมันเห็นร่างกายมันนอนเนา ะ, ะเห็นใจมันรู้สึกอย่างไรอยู่นะเราก็ดูแต่พอถึงเวลาตื่นก็ตื่น <c oughs> งัวงเงียงอยู่อะก็ตื่นนะลุกลางหน้าดางตาแปลงฟันให้มีสติไว้เนาะอันนั้นก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยเจอกันเนา ะ, ะกาพะกัน